ละทุกภัยใหญ่น้อยที่ปรากฏขึ้นมาและเป็นไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเป็นธรรมดาพูดขึ้นมาก็ชัดเจนเห็นง่ายเป็นจุดสนใจอย่างยั่งยืนยกขึ้นเป็นข้อปรารถนได้เรื่อยไปโดยเฉพาะเหมาะที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงธรรมยิ่งกว่านั้นทุกขเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวและน่าตกใจสําหรับคนจํานวนมากทั้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็ไม่อยากได้ยิน